5.8 การถือศีลให้บริสุสญญ 2, ทธิดด์ต้องประกอบด้วยสติปัญญาวงเล็บเปิด7มิถุนายน2550จุดจุดนาที7วงเล็บปิดเวลาเราจะถือศีลให้บริสุทธิ์หมดจดต้องประกอบด้วยสติปัญญายกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเคยมีพระรูปหนึ่งท่านนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่ก็ไม่ทราบมีผู้ร้ายไปขโมยเขาแล้ววิ่งหนีราชบุรุษมาผู้ร้ายมันวิ่งผ่านพระ พระมองเห็นว่าผู้ร้ายไปทางนี้แล้วแล้วก็รู้เลยว่าเดี๋ยวตำรวจจะต้องมาถามถ้าบอกนะเขาจะวิ่งตามไปฆ่าผู้ร้ายทันถ้าบอกพระก็รู้สึกผิดเพราะบอกให้เขาไปฆ่ากันเห็นเห็นอยู่แล้วว่าจะต้องฆ่ากันนั่นแหละพราะท่านนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แล้วเห็นเขาวิ่งมาท่านก็เดินไปอีกที่หนึ่งไปเดินจงกรมอีกที่หนึ่งไม่ห่างกันเท่าไหร่อีกเดี๋ยวตำรวจวิ่งตามมาถามว่าพระคุณเจ้าเห็นผู้ร้ายวิ่งมาทางนี้ไหม ท่านก็ตอบว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครมาเลยท่านก็รักษาศีลของท่านไว้ได้หรือบางทีอีกเคสในวงเล็บกรณีหนึ่งก็แปลกมีเพชฌฆาตคนหนึ่งแต่เดิมเป็นโจรแกมีคราวสีแดงเขาเรียกโจรคราวแดงต่อมาโดนจับแล้วก็เลยมาอาสาสมัครทำหน้าที่เพชฌฆาตแกฆ่าคนมาเยอะเลยตลอดชีวิตนะเป็นเพชฌฆาตตอนแก่แล้วกเกษียณที่กเกษียณเพราะถูกบังคับคือแกไม่มีแรงนะ แกฟันคอเขาหลายทีกว่าจะขาดคนเห็นแล้วไม่ไหวทรมานนักโทษมากไปเลยให้เกษียณพอเกษียนแกก็เลยทําพิธีทําบุญคล้ายๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อวัยใกล้ๆ80ิแล้วทําบุญเชิญพระสารีบุตรมาทีนี้ธทำเนียมของพระอินเดียยุคโน้นพอถวายอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วท่านจะแสดงธรรมพอตอนท่านเริ่มแสดงธรรมนี่เพชจะฆาตจิตใจกระสับกระสายบอกว่าเรานี่ฆ่าคนมาตลอดชีวิตเลยเราไม่คู่ควรกับธรรมะ ดังนั้นเลยฟังธรรมะด้วยใจเร่าร้อนทุรนทุรายพระสารีบุตรท่านรู้วาระ จ, จิตอันนี้ท่านก็หยุดเทศแล้วท่านก็ถามเพชฌฆาตคนนี้ว่าโยมตอนโยมเป็นเพชฌฆาตไปฆ่าคนเนี่ยโยมตั้งใจฆ่าเองหรือว่าพระราชาสั่งให้ฆ่าแกก็เกิดเข้าใจผิดขึ้นมาทันทีพระสารีบุตรหลอกให้เข้าใจผิดนะหลอกแกแกเข้าใจผิดเลยว่าพระสารีบุตรถามอย่างนี้แสดงว่าแกไม่บาปหลอกพระราชาสั่งให้แกฆ่านี่แกไม่ได้ฆ่าเอง แกก็เลยบอกพระสารีบุตรว่าพระเจ้าประเสรที่โกศลสั่งให้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าเองหรอกแกก็สำคัญผิดว่าแกไม่มีบาปอะไรเลยจิตใจแกก็สงบแกนั่งฟังธรรมไปเรื่อยด้วยใจที่สงบนะแกได้โสดาบันเอาตัวรอดจากอบายได้นี่คือเรื่องการพูดนะ